นี้เป็นตอนหนึ่งของนายสมัยแล้วก็นายมั่นที่เรียกตัวเองว่าพวกสโมสรคุณนบวัดรคังได้ไปทอดกระถินที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับคณะสามาัคขีของนายช่างปั้นพระหล่อพระตำบลบ้านขมิ้นทนบุรี ผมถอนหายใจยาวอย่างทุกข์ใจและรำคาญใจขณะยืนอยู่ในศาลาท่าน้ำของวัดที่ตำบลบางไทรจังหวัดอายุทยาด้วยการปลงอนิจจังตัวเองเกือบแทบทุกคราวไปทีเดียวโดยร่วมทางกับนายมั่นช่างหล่อพระพูดได้เลยว่าจะต้องมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเสมอขนาดแทบเอาตัวไม่รอดแต่ว่าผมกับนายมั่นก็รักที่จะไปไหนในถิ่นที่แปลกใหม่ด้วยกัน เพราะว่าในมั่นเป็นคนที่น่าคบค้าสมาคมคนหนึ่งมีนิสัยเปิดเผยและไม่น้อยไม่มากทั้งยังมีอารมณ์ขันอยู่ตลอดเวลาในคราวนี้ได้มาร่วมกันทอดกรถิ่นสามัคคีของพวกช่างปั้นช่างหล่อพระของบ้านคมิน้นเจ้าประคุณเอ้ยทั้งหนุ่มสาวเท่าแก่มากเหลือกำลังเรือเพียบแปะไปทุกลาแต่เขาก็พอประคองกันไปจนถึงวัดที่จะทอดได้แต่ขากลับสิ เกิดความวุ่นวายที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นอนละเวงจนแทบถึงแก่ชีวิตกันเลยทีเดียวเข้าแบบรักสนุกทุกถนัดลงว่ากูจะไปสนุกแล้วก็ไม่คิดหน้าคิดหลังไม่มองดูว่าเรือที่จะบรรทุก เ, เราไปนั้นจะทานกำลังพวกเราไหวหรือไม่พอดื่มเหล้าเข้าไปก็ขนองใจมีเท่าไหร่ก็ชวนกันไปเป็นตายไม่นึกถึงผู้จัดงานก็พูดไม่ออก เพราะงานสามัคคีนั้นย่อมมีสิทธิและอำนาจด้วยกันทุกคนความหนักใจได้ไปแต่เขาแล้วผมมองดูพวกที่ขนเอาลูกเล็กเด็กแดงไปด้วยนั้นชักหมั่นไส้ในความรู้สึกของทุกคนที่เอาลูกเอาหลานไปเที่ยวทางเรือแล้วก็ไกลแสนไกลจะถือเอาแต่ความรักจะไปไหนก็อยากให้ลูกให้หลานได้สนุกด้วยอันนี้จังมันการละเทสะไหนเล่าควรทําอย่างนั้นเรื่องเดินทางด้วยเรือแล้วก็ ควรคิดให้รอบคอบก่อนความสนุกที่มีลูกเล็กเด็กแดงมันควรแก่ทางบกเท่านั้นระวังอันตรายน้อยกว่าทางเรือลำพังแต่ตนเองก็คุ้มกะลาหัวตัวเองให้รอดซะก่อนแม่น้ำกว้างๆแล้วก็ไหลแรงตามฤดูการหน้าน้ำหลากแรงจริงอยู่เรื่องของกะถินมีเรือล่มบ้างก็สนุกดี นั่นมันหมายถึงเฉพาะเดินทางไปในคลองที่แคบๆ แ, แล้วก็มีความลึกของน้ําไม่มากนักและเรือที่ไปก็เป็นเรือพายเรือแจวอันตรายก็น้อยหน่อยแต่ทางน้ําลึกแล้วก็กว้างแล้วก็เป็นเรือยนต์เรือกลไฟนั้นถ้าล่มลงไปแล้วก็เสียหายเท่าไหร่ราคาค่าเรือแต่ละลำมากมายและอันตรายจากเรือใหญ่ล่มลงน้ําจะดูดคนจมแล้วก็ลงน้ําตะเกียกตะกายจนขาดใจอยู่ใต้น้ํา และทั้งเรือยนต์เรือกลไฟล่มแล้วก็ต้องจมสู่ก้นแม่น้ำจะอาศัยเกาะพยุงกายอย่างเรือพายเรือแจวได้เมื่อไหร่กว่าจะไปถึงวัดได้ก็ใจหายใจคว่ำพอเรือด้านไหนถูกแดดแม่พวกสาวๆหนุ่มๆก็เฮลโลกันหลบแดดไปข้างที่ร่มแดดมใยายเรือจะเอียงก็ช่างมึงทีนี้พอเรือจะออกที่กว้างคือตอนลานเทถ้าลมตกมากๆก็คล้ายทะเลมีคลื่นลูกโตๆกระแทกเรือ น้ำก็สาดเข้ามาจนเปียกทุกคนก็เฮหลบน้ำโดยไม่นึกถึงว่าเรือจะคว่ำเอาง่ายๆที่คนจำนวนมากเฮไปข้างใดความเห็นแต่ตัวเองทําให้หมดมนุษยธรรมเพราะในเรือมีเด็กอยู่มากถ้าจะคิดว่าตัวใครตัวมันฉันไม่มีเด็กมาก็หมดห่วงก็หมดมนุษยธรรมเท่านั้นนายท้ายเรือหน้าเมื่อยพูดไม่ออกรับจ้างเหมาก็พูดไม่ออก วันนั้นบังเอิญทางการได้ประกาศเรื่องพายุใต้ฝุ่นทางทะเลแล้วก็บอกว่าควรระวังหางพายุอาจจะเข้ามาได้ในเวลาใด เ, เวลาหนึ่งฉะนั้นพอออกสู่ลานเทที่กว้างก็มีเค้าหน้ากลัวท้องฟ้ามืดครึ้มมีพายุพัดมาอย่างอ่อนๆที่พอทำความปั่นป่วนให้กับน้ำที่กว้างขวางก็ทำให้หน้าหนักใจได้พวกผู้หญิงหรือพวกที่พาเด็กไปด้วยก็เริ่มได้คิดกังวลใจอยู่ไม่เป็นสุข ส่วนพวกที่เมาเหล้าก็สนุกสนานไปไม่ห่วงผู้ใดถ้าบังเอิญใต้ฝุน่นหรือว่าหางใต้ฝุ่นโหมเข้ามาก็น่าคิดทีเดียวท้องฟ้าไม่สว่างสมกับเวลากลางวันฉ่ำชื้นครึ้มด้วยหมอกเมฆลานเทนี้ถ้าโดนลมเต็มแรงหนักเข้าก็เท่ากับทะเลเลยทีเดียวแม่น้ำกว้างผิดปกติและสองฝ้าก็เป็นทุ่งโล่งสุดลูกหูลูกตาทาไมจะไม่เท่าทะเล ผมกับนายมัน่นแม้จะดื่มเหล้าไม่น้อยแต่ก็มิได้หมดกังวลและห่วงใยยังจัดว่าเป็นบุญอยู่มากมายที่พายุได้ระงับลงชั่วคราวเรือทุกลำจึงข้ามถิ่นกว้างนั้นไปได้น้ำตรงปากทางที่บางใสจะตรงแยกเข้าสู่บ้านแพนผักไห่ได้เกิดวังวนแม้เรือเบาๆถึงตรงนั้นก็ยังปั่นป่วนถ้าเป็นเรือหนักๆแล้วก็มีความยุ่งยากในเรือก็น่ากลัวมากทีเดียวบังเอิญพายุมาสงบ เรือเราก็ประคองข้ามวังวนน้ําปะทะที่พุ่งมาจากบางปะอินและน้ําที่มาจากบ้านแพนเข้าเทียบฝั่งวัดที่จะไปทอดได้มีการอนละเวงกันอีกภาคหนึ่งซึ่งเกิดจากความเห็นแก่ตัวของแต่ละคนคือแย่งกันขึ้นเป็นการใหญ่เข้าแบบว่าเรือจะล่มเมื่อจอดผมใจคอไม่ดีห่วงพวกดนตรีไทยเพราะผมไปขอร้องกราบไหว้เขามาโดยเราคุ้นเคยกันเคยเล่นเคยซ้อมกันมาแต่ก่อน จึงขอแรงมาในงานกุศลถ้าเครื่องไม้เครื่องมือของเขาเกิดตกน้กําแล้วก็ผมนี่แย่กว่าใครเครื่องมือเครื่องดนตรีเป็นของสําคัญของนักดนตรีมิใช่เราจะซื้อใหม่เอาไปแทนของเก่าเขาไม่ยินดีเท่าของเก่าที่เขาใช้มาจนเคยมือแต่ทุกๆอย่างก็เรียบร้อยกันไปได้เพียงรอคอยลําหลังๆที่ติดใต้ฝุ่นอยู่ตามลําน้ํากว่าจะมาถึง เพราะต้องลอยลำใต้พายุอยู่ห่างฝั่งกว่าจะเข้าใกล้ฝั่งอาจจะถูกคลื่นโยนเข้าฟัดกับตะลิ่งถึงกับเรือแตกหรือเรือความเสียหายทั้งลำและชีวิตคนครั้นมาได้พร้อมกันแล้วการกุศลของเราก็ดำเนินไปได้ดีเลี้ยงดูกันสนุกสนานพอใช้ได้แต่ค้ากลับสิครับยุ่งยากวุ่นวายนักในวันนั้นพอทอดกถินจนเสร็จท้องฟ้าก็มืดครึมขึ้นอีกบอกเหตุว่าพายุใต้ฝุ่นจะเริ่มอีกแล้ว พวกเรือที่มาช่วยงานเราก็มองเห็นภัยที่จะมีแก่ตัวเองถ้ารอคอยจนถึงงานเลิกคนทั้งหมดจะลงกันเต็มอย่างขามาก็มีหวังเรือคว่ํานายท้ายเรือจึงกระซิบบอกคนใกล้ๆจะหนีกลับโดยมีคนพอเหมาะถ้าใครสมัครใจจะไปก็รีบลงเรือโดยเร็วด้วยเหตุนี้จึงมีเรือหนีกลับก่อนโดยเอาคนติดไปพอสมควรลำหลังเห็นตัวอย่างก็ทําตามก็หนีกันไปบ้าง คงเหลืออยู่เพียงอีกลำหนึ่งที่ใหญ่กว่าเพื่อนยังคอยการเสร็จงานอยู่พวกที่ยังเหลืออยู่นั้นโดยมากคิดว่าจะไม่มีอะไรร้ายแรงอีกจึงโอเอจนบ่ายมากเกือบจะเย็นข่ำลงอากาศก็มืดมิดไปด้วยกลุ่มเมฆหมอกพอไหวตัวก็รู้ว่าทั้งของทั้งคนจะไปไม่หมดเพราะเรือหนีไปก่อนบ้างแล้วว่างพอจะเอาคนไปได้อีกแต่ลำที่เหลืออยู่แม้จะใหญ่กว่าก็รับทั้งคนทั้งของไม่หมดแน่นอน พวกคนที่กลัวจะไม่ได้ไปก็รีบแย่งลงเรือไปก่อนจวนจะแน่นพวกเราอยู่บนศาลาท่าน้ํายังเหลือทั้งคนและของไม่ได้ลงจึงมีการโวยวายขึ้นทั้งสั่งงานบ้างต่อว่ากันบ้างสนั่นวันไว้เรือก็ไม่กล้าที่จะเข้ามารับอีกเพราะว่าคนจากลำอื่นมากันเต็มลำนี้ทั้งนั้นพอดีกับพายุมาและรุนแรงซะด้วย เรือก็เลยจำใจลอยออกห่างตะลิงโดยเกรงจะฟัดกับตะลิงสายฝนก็เริ่มมากับลมที่อาวาดเรือโยนไปโยนมาเอียงซ้ายเอียงขวาทำท่าจะอับปรางเอาคนในเรือก็ร้องกันวุ่นวายกรี๊ดกราัาดโวยวายน่ากลัวคนที่มาด้วยกันยังไม่ได้ลงเรือคนลงแล้วก็ห่วงยายเรียกกันโวยวายคนบนฝั่งก็เรียกลงไปคนในเรือก็เรียกกันขึ้นมาผมใจหายใจคว่ำคอยดูพวกดนตรีไว้ ตอนให้เข้าไปในศาลาท่าน้ำพ้นสายฝนกลัวเครื่องมือของเขาเปียกส่วนในเรือนั้นร้องกันโหยหวนไปหมดเพราะเรือมีท่าจะล่มคว่ำอยู่แล้วเพราะแรงพายุบางคราวเรือก็เซเข้ามากระแทกกับตลิ่งอย่างแรงแล้วทําท่าจะคว่าคนในเรือก็ร้องกันเสียงแส้พวกอยู่บนบกก็หมดหนทางจะช่วยได้เรือถูกน้ําจากตลิ่งกระท้อนเซออกไปแต่กลับถูกคลื่นกลางน้ํากระแทกเข้ามาอีก บนชั้นดาดฟ้าเห็นหญิงสาวคนนึงเกาะ อ, อยู่ริมหน้าซีดขาวอย่างกับกระดาษแกร้องไห้เพราะความกลัวผมโบกมือให้แกหลบเข้าไปข้างในเพราะกลัวแกจะร่วงลงน้ำที่กำลังร้ายมันจะกลืนกันลงไปสู่ก้นแม่น้ำทำให้เสียชีวิตพอดีเรือถูกกระแทกมาอีกอย่างแรงพายุกำลังคลั่งไม่ปราณีปรศัยพอเรือกระแทกเข้าที่ศาาท่าน้าแล้วเอียงตักน้าเข้าโครมใหญ่ ร้องกันระเบงเสงแซ่แม่หญิงสาวที่เกาะอยู่ริมชั้นดาดฟ้าเรือก็เพ่นเกาะเสาศาลาแล้วก็รูดตัวลงมาหงายอยู่ที่พื้นท่าน้ำผมมองอยู่กลัวใครจะร่วงลงมาอีกแล้วก็ทับแกคอหักผมจึงวิ่งไปดึงแกพ้นจากที่นั่นแกร้องไห้โฮเพราะความกลัวเรือเซออกไปได้อีกแล้วเร่งเครื่องอย่างแรงเพื่อออกวิ่งฝาคลื่นไปมองคล้ายว่าจะจมเพราะคลื่นบังตาพวกเราให้เห็นไปแต่ความจริงไม่ได้ล่ม เรือลำใหญ่ได้พยายามฟันคลื่นวิ่งไปได้และหายลับไปในหมู่หมอกของฟองน้ำฝ้าบางตาพวกเราเลยถูกเรือลําหลังทอดทิ้งอีกหมดหวังจะได้ลงเรือกลับกลายเป็นคนถูกปล่อยเกาะกันไปฝนก็กระหน่ำอย่างหนักฟ้าขนองเปรี้ยงปร้างหูดับตับไมหมน่ากลัวฟ้าจะผ่าลงมาแต่บังเอิญเป็นการผ่าเฉียงๆไม่ลงดินแต่มันก็ไม่สูงนักผ่าเฉียงก็จริง แต่ดูมันสูงเพียงหลังคาสาราเท่าที่เราอาศัยแค่สองวาเท่านั้นหูเรานี่แทบแตกแม่หญิงคนที่โดดเรือหนีมานั้นยังเคราะหดีที่กระเป๋าถือไม่หายแกเอาหูมันคล้องแขนแน่นแต่รองเท้าไม่มีซะแล้วหายเลยคุณมากันกี่คนครับผมถามแกเพราะความเวทนาหลายคนคะ่ะแต่ไม่รู้เขาไปอยู่ลำไหนกันหมดแล้วแกตอบไปร้องไห้ไปสงบใจเถอะครับผมปลอบ เพราะพวกเราก็ยังมีกันอีกเยอะแยะอยู่ด้วยกันเถอะการกลับน่หมดโอกาสแล้วต้องคอยพรุ่งนี้พายุหมดแล้วถ้ามีพายุแบบนี้ไม่ว่าเรือลําไหนออกไปเนี่ยแย่แน่ๆเลยครับพอดีฟ้าผ่าเฉียงไปอีกนิดนึงสนั่นหวั่นไหวแสงสว่างจ้าบาดตาทุกคนพงะด้วยความตกใจเอานะ่ะพวกเราทั้งหมดครับคืนนี้อาศัยนั่งนอนกันบนศายลาการลเรียนนี่แหละผมพูดไอ้นั่งหลับนกนะพอหลับได้ แต่ว่าเย็นนี้เรายังไม่ได้กินข้าวกันเลยนะคุณสมัยท้องมันจะร้องจอกจอกนะสิในมั่นพูดกับผมเห็นจะไม่เป็นไรค่ะผู้หญิงคนหนึ่งพูดที่ยืนเฝ้าหม้อข้าวหม้อแกงข้าวของเรานี่ยังพอเหลืออยู่ค่ะเราขอเตาไฟพระมาต้มข้าวต้มให้พอกินกันกับข้าวก็พอมีเหลืออยู่บ้างนะคะแกอธิบายอา้าวในมั่นร้องไม่ตายแล้วชาวไทยเอ้ยพูดแล้วหัวเราะ หญิงมีอายุอีก 2-3 ส, สาคนก็พลอยหัวเราะไปด้วยพร้อมกับเปิดฝ่าหม้อให้ดูต้มแกงที่มีเหลืออยู่ในตอนนั้นทั้งฝนทั้งฟ้าขนองได้มีชายชาวบ้านวิ่งมาจากทางไหนไม่รู้หนีฝนเข้ามาอาศัยในที่เดียวกับพวกเราก็พอดีฟ้าผ่าลงมาอีกดังกึกก้องชายคนหนึ่งในสคนแงนหน้าดูฟ้าอย่างไม่พอใจแล้วร้องด่าฟ้าอย่างหยับยบติดหมัดไปเลยมึงจะเปรี้ยงเปรี้ยงทาไมวะจะผ่าก็ผ่ามาเลยสิ จะผ่าหัวกูหรือผ่าหัวพี่แต้มก็เลือกเอาสิวะเพื่อนสองคนที่มาด้วยร้องเฮ้ยผมฟังแล้วออกเสียวใจถ้าฟ้าผ่าลงมามันจะไม่ถูกแต่พวกแกนะสิเราอยู่ใกล้ๆก็เลยบ่นไปด้วยและที่ร้ายที่สุดก็คือพอหมดคำด่าท้าทายของตาคนนั้นฟ้าก็ผ่าลงเปรี้ยงลงอีกถนัดใจผมสะดุ้งสุดตัวนึกว่าโดนเข้าแล้วเอาสิวยผ่าลงมาเลยแกรองขึ้นอีก ทุกคนในที่นั้นน่าเสียเพราะการพูดของแกไม่เป็นมงคลแต่ก็ได้แค่มองหน้ากันไม่มีใครกล้าว่าอะไรเขาได้เพราะพวกเรามันแปลกถิ่นเขาอาจจะเป็นคนพันก็ได้ทุกคนเข้าอับจนก็เงียบกันไปเฮ้ยอย่าพูดไปเว้ยอีกคนร้องห้ามคนอื่นเขาจะพากันใจคอไม่ดีเขาพูดเล่นกันดอกนาชายคนนั้นว่าผ่าลงมาง่ายๆได้หรอวะมันก็ต้องค่าสั่งสิถึงจะผ่าตามที่สั่ง พูดแล้วก็หัวเราะร่วนอย่างสนุกสนานพี่แต้มอยากดูไหมล่ะชายคนนั้นถามเล่นๆ เ, เอาคอยดูต้นตาลข้างเจดีนั่นละกันข้าชี้มือไปที่นั่นเป็นผาโครมเลยเอาสิวะทุกคนคอยดูข้าจะชี้มือเลยนะเขาพูดแล้วก็ยกมือแล้วก็ชี้ไปอย่างต้นตาลที่เขาว่าทัานใดแสงสว่างถึงขนาดต้องหลับตาทุกคนได้พร้อมกับเสียงกมปนาดวันไหวเกิดขึ้น พื้นที่ที่พวกเรายืนอยู่กระเทือนแทบจะพลิกไปด้วยแสงสายฟ้าที่ผ่าลงมาเป็นทางยาวสู่ต้นตาลสว่างจ้าแต่ก็ต้องดับลงด้วยแรงน้ําฝนที่กระหน่ำลงมาแทบพื้นดินผมตระหนักตกใจว่าหัวใจแทบจะหยุดเต้นไม่เคยคิดว่าจะมาเห็นเหตุการณ์ประหลาดแบบนี้หัวใจเต้นแรงดังกลองรัวทุกคนจ้องมองชายหนุ่มคนนั้นเป็นตาเดียวกันแต่พูดอะไรไม่ออก ทั้งตกใจฟ้าและตกใจมนุษย์ประหลาดคนนั้นอย่าอยู่กับเขาเลยวะ่ะเขาจะตกใจกันไปกันดีกว่าไปเออจุดคบก่อนวะ่ะชายปากศักดิ์สิทธิ์พูดแล้วก็ก้มลงจุดคบไฟเราได้แต่มองดูอย่างสงสัยเขาจะจุดไฟเดินฝ่าฝนไปได้อย่างไรครั้นก็จุดคบไฟสว่างแล้วหันมาทางพวกเราแล้วก็พูดว่าลาแล้วนะทุกคนเขาโบกมือนิดหน่อยและพาพวกออกเดินฝ่าฝนไป แต่ว่าดวงคบไฟก็ไม่ยอมดับทนฝนได้สว่างจ้าเหมือนไม่มีอะไรไปขัดขวางเรือนไฟที่ลุกโชนช่วงจากคบเพลิงของเขายังสามารถที่จะฝ่าสายฝนไปได้โดยไม่สะทกสะท้านเขาทั้ง3เดินตรงเข้าหมู่ไม้ไปข้างวัดแล้วก็วกเข้าหลังวัดหายไปพวกในศาลาทุกคนเหมือนถูกมนต์สะกดยืนนิ่งจนฝนซาเม็ดแทบจะหายไปบนศาลากันเถอะครับผมบอกกับทุกคน พวกดนตรีก็เลยยกเครื่องไม้เครื่องมือบางพวกก็ช่วยขนหม้ออาหารแล้วก็อะไรต่อมีอะไรที่อยู่ขึ้นศาลาใหญ่ซึ่งเวลานั้นยังมีพระผู้ใหญ่เหลืออยู่ที่ศาลารูปหนึ่งโดยยังไม่ได้กลับกุฏิและท่านก็ยืนดูเหตุการณ์ของพวกเราอยู่แม้ผมแทบหมดลมหายใจเลยครับในมั่นพูดกับพระองค์นั้นใครก็ไม่รู้เออช่างเขาเถอะเขาไปแล้วอย่านึกถึงเขาอีกเลย พระท่านห้ามในมั่นอย่างพิลึกพร้อมกับโบกมือห้ามไม่ให้พูดอีกพวกคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาคือใครอย่าพูดไปเลยเท่านเจ้าคุณคะดิฉันต้องขอพึ่งเตาไฟแล้วก็ถ่านจากท่านเจ้าคุณนะคะพวกเราอดข้าวเย็นกันต้องนอนวัดก็ต้องขอพึ่งทุกอย่างเลยนะเจ้าคะโอ้ไม่เป็นไรฉันคิดไว้แล้วเดี๋ยวประเดี๋ยวจัดมาให้พร้อมทั้งมุงทั้งม่านทั้งเสื่อมอนดีแล้วยมที่ไม่ไป ถ้าขืนเดินทางต่อไปนะไม่รู้ว่าป่านนี้จะรอดหรือไม่รอดพระท่านว่าในอีกราวครึ่งชั่วโมงต่อมาพระท่านได้จัดให้ลูกศิษย์รุ่นใหญ่คนมุง้งหมอนและถ่านไฟเตาไฟพร้อมกับตาแก่คนหนึ่งที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนเราเพื่อความสะดวกจะต้องการอะไรตาแก่คนนั้นก็คือคนเฝ้าสารานี้นี่เองทั้งลูกศิษย์พระรุ่นใหญ่และตาแก่ก็ได้ช่วยกันจุดตะเกียงขึ้นหลายดวงสว่างทั่วไป ศาลานี้มีฝาโปร่งคือเป็นลูกกรงเหล็กที่มีฝาเป็นไม้เพียงตี๋แค่เขา่าเป็นไปรอบศาลาแต่ประตูแข็งแรงปลอดภัยดีเรื่องร้อนอบอ้าวอากาศไม่ต้องกังวลโปร่งไปหมดทุกด้านอยู่กันบนนี้แหละนะครับตาแก่ว่าส้วมก็มีบนนี้เลยนั่นแหละอยู่ใกล้ๆกับห้องผมที่นอนเฝ้าและสะดวกดีไม่ต้องกลัวแกอธิบายไปปู่เสือไปที่กลางศาลาแม่หญิงสาวโดดหนีเรือมา ค่อยสนิทกับผมเพราะผมพูดกับแกบ่อยก็เลยคุ้นกันแกอดจะบ่นเสียใจที่เพื่อนเพื่อนทิ้งแกไปผมก็เลยปลอบโยนแกไปตามกาลเทศะแล้วเราก็ช่วยกันหลายคนตั้งหม้อข้าต้มโดยเอาเข้าวสุกที่เหลืองลงบี้ละลายน้ำขึ้นต้มผู้หญิงมีอายุจัดการแปลงอาหารที่เหลือแต่อุ่นให้ร้อนอีกครู่เดียวก็เรียบร้อยแต่อะไรไม่เท่าฟ้าโปรดคือเหล้าเหลืออยู่พอจะสนุกได้ทั้งคืน รู้สึกว่าเป็นยาขนานใหญ่สำหรับพวกตาค้างพวกผู้หญิงก็ต้องพลอยดื่มคนละนิดคนละหน่อยดับความกลัวที่ผ่านมาเมื่อตอนโพลโเพลอาหารไทยของเราเมื่อ น, นี้แปลกที่สุดในชีวิตคือข้าวต้มกับแกงเผ็ดข้าวต้มกับน้ำพริกจิ้มและยำผักต่างๆใส่น้ำปลาบีบมะนาวเป็นพื้นอร่อยกันในยำยากและอิ่มกันดีทุกๆคนเราอิ่มกันดีแล้วจะบรเลงเพลงกันบ้างเป็นไงละ่ะในมั่นถามผม แม้ผมว่านักดนตรีอะใจมันห่อเหี่ยวทุกคนนะเอากระจยที่ไหนมาบันเลงผมตอบเรามาคุยกันดีกว่าเนะคุยกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหลับเรื่องที่ผ่านมาอะคุณมั่นทั้งตกเรือทั้งโดนดีพบเอากับผู้วิเศษเข้าเดีย๋ยวว่าแต่ผู้หญิงจะกลัวเลยแม้แต่ผู้ชายอกสามศอกก็ไม่ไหวคุยกันดีกว่าผมว่า ผมอธิบายขัดแย้งการที่นายมั่นแกจะขอร้องให้พวกนักดนตรีเล่นดนตรีกันผมเห็นว่าไม่เหมาะที่จะเป็นไปได้ถ้าเพียงว่าแค่ตกเรือต้องค้างวัดเท่านั้นก็พอจะเล่นดนตรีเพื่อแก้เหงากันขึ้นได้แต่ทุกๆคนก็รู้อยู่แก่ใจว่าที่วัดนี้ออกจะมีอะไรๆพิเศษสำหรับคนแปลกถิ่นอย่างพวกเราซะแล้วจะเอาใจที่ไหนมานั่งสีซอทุกคนมีความระแวงในเหตุการณ์แปลกประหลาดอยู่ไม่หาย โดยเอาใจของผมเทียบกับใจเพื่อนๆผมพูดแล้วก็ลุกไปม้วนพรมที่พระนั่งที่เขาทิ้งไว้ยังไม่ได้เก็บม้วนๆแล้วก็อุ้มมาวางตรงกลางเสือ่อเผื่อว่าใครอยากจะนุ่มก็ปูเอาได้ถ้าจะเอาเป็นเนินกลางสาหรับจะวางหมอนหนุนลงไปแล้วก็จะหมอบฟุบลงกับหมอนก็ตามสะดวกของพวกผู้หญิงและพวกผู้หญิงก็เห็นดีตามความคิดผมว่า การนอนผิดที่ผิดทางโดยนอนร่วมกับฝ่ายชายที่ไม่คุ้นเคยกันเลยในมุ้งเดียวกันจะนอนตามสบายอย่างอยู่บ้านไม่เหมาะแน่ไม่สุภาพที่จะมานอนอวดสัดส่วนของตนสู้ทนนอนขดตัวนั่งครึ่งนอนครึ่งเอาคืนหนึ่งไม่ได้ตกลงผมจัดให้ผู้หญิงนอนแบบฟุบๆพอประทังความง่วงโดยอยู่กลางฝ่ายชายจะนอนเหยียดนอนขดตามใจชอบแต่ต้องอยู่ริมซ้ายขวาล้อมฝ่ายหญิงไว้ให้ความอบอุ่นแก่หญิง เป็นชายนะแม้จะกลัวก็ต้องทำกล้าไว้เพื่อเป็นผู้พิทักษ์แก่ฝ่ายที่อ่อนแอมุ้งที่พระให้มานั้นเป็นมุ้งใหญ่นอนได้หลายคนถ้าจัดการนอนให้ดีเป็นวงกลมได้ก็พอกันถ้าขืนนอนตามยาวแล้วก็เรียงกันก็นอนไม่พอเพราะคนเรามากออคุณครับแต่แก่เรียกเราผมจะดับไฟซะบ้างเป็นบางดวงนะครับจะเหลือไว้เพียงดวงเดียวพอมองเห็นผู้รักษาศาลาบอกกับเรา ถ้ามันมีอะไรขึ้นก็เฉยๆนะครับอยู่ในมุ้งเรานอนให้สบายตาแก่คนนั้นพูดฟังรอบครอบดีแต่อีกคำท้ายของแกฟังแล้วทำให้หน้าคิดว่าคงจะมีอะไรเกิดขึ้นได้แกจึงทำให้เฉยๆซะผมไม่ตอบอะไรแกก็จริงอยู่แต่ใจชักจะเสียวๆและรู้ชัดว่าสำหรับคนแปลกหน้าถ้ามาค้างที่นี่มักจะต้องพบอะไรบ้างถ้าทาใจสงบเลยก็คงจะเงียบไปได้ แม่พวกผู้หญิงบางคนขัดสมาธิบางคนพับเพียบบางคนคุกเข่าบางคนฟุบตัวลงกับหมอนในท่านอนแบบนั่งนกในท่าระวังไวตลอดเวลาผมนึกชมว่าแกช่างรักษาตัวดีไม่ยอมนอนเหยียดยาวเพราะเวลาหลับแล้วย่อมพลิกตัวบ้างอะไรบ้างจะเกิดไม่สุภาพขึ้นผมกับนายมั่นยังนอนไม่ลงคงนั่งอยู่ด้วยกันในที่มุง้งนั่งเสียใจในความไม่เรียบร้อยในงานครั้งนี้ การเดินทางมีอุปสรรคจนกระทั่งเอาคนที่มาในงานต้องมาตกค้างร้างแรมดังนี้ไหนจะทุกข์ใจว่าทางบ้านจะคิดอย่างไรบ้างที่มาหายไปมีอันตรายหรือเปล่าไหนจะยังกลัวภัยต่างๆที่จะมีขึ้นได้ที่เป็นฝ่ายหญิงจะกังวลใจแต่ฝ่ายชายนั้นก็คิดเช่นกันว่าทางบ้านย่อมห่วงใยเป็นธรรมดาซึ่งล้วนแต่ความผิดพลาดของผู้จัดงานทั้งนั้นแต่มันก็เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศมาเป็นผู้ก่อกรรม ความผิดพลาดทั้งหลายจะโทษใครก็ไม่ถนัดจะโกรธใครก็โกรธไม่ลงจะโกรธเรือหาว่าทิ้งไปหรือไม่โกรธก็ไม่ถนัดเพราะเรือเขาก็มองเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นกับเขาทั้งเกิดแก่ผู้โดยสารด้วยถ้าลงเรืออับปรางในระหว่างลมร้ายน้ำร้ายก็ตายกันอย่างไม่มีปัญหาลูกเล็กเด็กแดงตายเรียบครั้นเราจะโกรธเจ้าภาพเจ้าของงานมันก็เจ้าภาพด้วยกันเกือบทุกคนเป็นกถินสามัคคี ต่างคนต่างร่วมทุนกันมาทำบุญแม้แต่ผู้หญิง 2-3 ส, สามคนที่มีอายุควบคุมการครัวก็เป็นเจ้าภาพเช่นกันจึงไม่มีใครจะโทษใครได้นอกจากดินฟ้าอากาศส่วนพวกดนตรีนั้นถือว่าเป็นแขกเพราะผมไปกราบไหว้ขอร้องเขาจนเกิดความลำบากดังนี้ผมเองพอกราบตีนกราบมือเขาได้และเขาก็เห็นเห็นอยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ที่ทุกข์มากที่สุดก็คือเรือที่หนีเราไปนั้นจะไปโดนหนักที่ใดยังไงบ้าง จะไปรอดหรือเปล่าลูกเล็กเด็กแดงก็มากอยู่แต่ผมภาวนาขอให้ทั้งหมดรอดปลอดภัยด้วยเถิดเหมือนอย่างเรานี่แหละเรายังดีกว่ามากจะขลุกขลักอย่างไรก็ยังอยู่บนบกมีวัดเป็นที่พึ่งแต่พวกในเรือน่ะสิจะหวังพึ่งเรือก็แทบจะคว่ำลงในนาทีใดนาทีหนึ่งไม่มีใครจะใจแกร่งพอเป็นที่พึ่งได้ต่างก็คงมีหน้าขาวซีดไปด้วยกันเพราะรอบๆตัวรอบๆข้างก็มีแต่น้าร้ายที่กาลังขนอง เบื้องบนกำปนาดไปด้วยสายฟ้าสาราที่เราพักอยู่ห่างจากแม่น้ำหลายเส้นแต่ก็ยังได้ยินเสียงน้ำไหลยอย่างแรงเพราะความเงียบของท้องที่บางทรในขณะนั้นเองเสียงหมาในวัดก็หอนกันขึ้นอย่างขนาดใหญ่ขนาดคนลุกเกลียวเลยผมกับในมั่นมองหน้ากันมีสิ่งประหลาดเกิดขึ้นด้วยเห็นแสงไฟคล้ายๆจะออกไปจากใต้ถุนศาลา เราเห็นได้ถนัดเพราะว่าฝาสาราเป็นลูกกรงแสงสว่างดูออกจะไปจากใต้ถุนแล้วผมก็อดใจไม่ได้จึงลุกขึ้นยืนในมุง้งมองลอดออกไปผมเห็นถนัดตาพร้อมกับนายมัน่นก็ลุกขึ้นยืนดูอยู่ด้วยกันคุณพระได้โปรดด้วยแสงไฟนั้นเป็นแสงไฟคบเพลิงที่ลอยออกไปเฉยๆโดยไม่มีมือของคนถือหมาหอนใหญ่ผมถึงกับเผลอตัวขยำแขนนายมัน่นและนายมั่นก็ขยำแขนผมอย่างเดียวกัน ดวงไฟนั้นลอยวนอยู่ที่ลานดินชั่วครู่แล้วก็ลอยห่างออกไปและลอยไปทางดงไม้อย่างเหมือนตอนพลอเพลที่มีชายพื้นบ้านเดินถือไปดวงไฟที่เห็นนี้ก็ไปทางเดียวกันและหายเข้าไปในดงไม้หลังวัดพอแสงไฟหายไปเสียงหมาหอนก็เงียบหยุดไปผมถอนใจยาวออกมาอย่างหนาวสะท้านใจทั้งในมั่นและก็ผมย่อตัวลงนั่งพร้อมๆกัน พูดอะไรกันไม่ออกเลยสำหรับคนอื่นๆที่นอนนิ่งจะหลับหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเราทั้งสองคนนั่งซึมกันอยู่ทั้งคู่และในที่สุดเราก็ซุดตัวลงนอนอย่างขดๆตัวแต่ว่าหูนี่คอยฟังเหตุการณ์อยู่อีกก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งหายใจยาวอย่างสะท้านเสียงตาแก่เฝ้าสาราปลุกเราให้เตรียมตัวกลับผมลืมตาขึ้นจึงรู้ว่าสว่างแล้วเราทุกคนต่างล้างหน้ากันเพราะว่าตาแก่เตรียมน้าไว้ให้เรียบร้อย เราขนของไปคอยทิท่าน้ำดีกว่านะเรือผ่านมาจะได้เรียกเลยใต้แก่แนะนำเราทุกคนก็ทำตามส่วนในมั่นแยกไปทางกุฏิพระเพื่อบอกลาท่านเรือที่ผ่านออกมายังว่างที่นั่งอีกมากเป็นโชคดีของเรานักขนของลงหมดแล้วก็มีที่นั่งได้พอกันอาหารเช้าของเราเกิดขึ้นในเรือกาแฟก็พร้อมมูนนั่งกินกันไปมองหน้ากันไปใจก็นึกถึงเรื่องเมื่อคืนที่ผ่านมา นึกขบขันในมัน่นจัดงานทอดกระถินตามแผนการออกเช้าทอดเสร็จเย็นกลับบ้านแต่พวกเราสีกลายเป็นทอดค้างคืนและยุ่งราวกับจุลกระถินก็ไม่ปานถูกฟ้าผ่าถูกฝนและถูกผีหลอกผสมกันไปเลยและนี่ก็คืออีกตอนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นบทประพันธ์ของครูเหมเวชกรค่ะซึ่งเป็นชื่อตอนที่ว่าผู้วิเศษนะคะอยู่ในเล่มผู้มาจากเมืองมืดค่ะ สำหรับตอนหน้านะคะจะเป็นตอนหมอยูโซค่ะเรื่องนี้เป็นตอนหนึ่งของพวกสโมสรคุณนบวัดระคังก็จะมีนมัน่นแล้วก็นายสมัยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องกดติดตามช่องพระเจอผีแล้วก็กดกระดิ่งทิ้งไว้นะคะเมื่อมีการอัปเดตเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ b ีอัปโหลดลงมาให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันก่นกอนนอนนะคะ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะบีขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ